เรื่องนางจุลสุพัทธาพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภธิดาของอนาถาบินทิกะเศรษฐีชื่อจุลสุพัทธาดังได้สดับมาเศรษฐีบุตรชื่ออุก ข, ขะชาวอุก ข, ขานครเป็นสหายกันกันกบอนาถาบินทิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถี เขาเรียนศิลปะอยู่ในอาจารย์เดียวกันทำกติกากันไว้ว่าถ้าหากเราทั้งสองมีบุตรธิดาจะให้แต่งงานกันต่อมาอุคคเสษถีได้ขอนานจุนลสุพัฒาธาิดาของอนาธบินทิกะเศษฐีเพื่อบุตรของตนแต่อุคคเสษถีเป็นมิจฉาทิฐิจึงกราบทูลพระทศพล อันพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของอุคคเสษถีแล้วทรงอนุญาตจึงรับคำอุคคเสษถีได้กำหนดวันทำรักการะเป็นอันมากเหมือนอย่างธนัญชัยเรษฐีให้นางวิสาขาให้โอโววาสสิทธิ์ข้อเหมือนกันมอบกุดุมภีแปดคนให้เป็นผู้รับรองชำระโทษนางจุลสุพัทธาไปสู่ตรูลสามี นางทำเหมือนอย่างที่นางวิสาขาทำแล้วในวันมงคลวันหนึ่งพ่อสามีของนางทำสักการะชีบเปลือยแล้วให้นางมาไหว้นางไม่อาจดูชีบเปลือยเพราะละอายนางปฏิเสธอยู่บ่อยๆพ่อสามีจึงขับไล่นางนางเรียกอุดมพีแปดคนมาวินิจฉัยทราบความที่นางไม่มีโทษ และนางได้สันเสริญพระสมณะของตนประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าแก่พ่อสามีแม่สามีว่าท่านเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบท่านเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงพูดพอประมาณกายกรรมของท่านสะอาดวจีไ ม, ม่มัวหมองมโนกรรมหมดจดดี บริสุทธ์ทั้งภายในภายนอกโลกฝูขึ้นเพราะลาบยศสันเรินสุขและฟุบลงแม้เพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกท่านเป็นผู้สม่ำเสมอในลาบเสื่อมลาบในยศเสื่อมยศในสันเริ น, นินทาในสุขในทุกพวกสมณะของฉันเป็นเช่นนี้ นางได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายพระตาหารวันรุ่งขึ้นด้วยแรงอธิษฐานของนางอยู่ในที่ไกลที่สุดประมาณหนึ่งยชน์โยตจากอุครณนครถึงนครสาวัตถีขณะนั้นอนาถบิณฑิกาเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้วมีมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงตรัสว่า รับนิมนต์ไว้แล้วเศรษฐีสงสัยว่าใครนิมนต์ไว้จึงทูลถามพระศัสดาตรัสว่านางจุลสุพัทธาอยู่ในที่ไกลหนึ่งยย่สิบโยชนินมนต์ไว้แล้วคราฤห บ, บดีก็อันสัตบุรุษทั้งหลายแม้อยู่ในที่ไกลย่อมปรากฏเหมือนยืนอยู่เฉพาะหน้าดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาว่า สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะ่านโซนอสัตบุรุษยอมไม่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศร อ, อันเข้าสัตว์ไปในราตรีฉะนั้นในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นเท้าสักกะเทวราช ทรงซาพระสาสดาทรงรับนิมนต์นางจุลสุภัทธาทรงสั่งให้วิศกรรมเทพปุตบนิรมิตรเรือนยอดห้า้อยหลังนามภิกษุทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปสู่อุคขานครในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นวิศกรรมมเทพปุตบุนิรมิตแล้วได้เสด็จไปยังอุคขานครแล้วอุค ข, ขเสถีพร้อมด้วยบริวาเรเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาถวายมหาทานิมนต์ซ้ำอีกสิ้นเจ็ดวันตั้งแต่นั้นมาชาวนาคร น, นั้นได้มีศรัทธาเลื่อมใสดังนี้แหลพระศ า, ศ, าศาสดาทรงสแสดงธรรมะเป็นที่สัพปายะคือสบายและเหมาะสมแก่เศรษฐีนั้นสัตว์ 84,000 สี่พันมีเศรษฐีเป็นต้นตรัสรู้ธรรมแล้ว